ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวในแต่ละวันทำให้ทุกวันนี้ผู้คนต่างหงุดหงิดวุ่นวายใจเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเห็นแต่ผู้คนที่บีใบหน้าเคร่งเครียดทั้งจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะย่าแย่ในปัจจุบันก็พาให้เกิดเรื่องราวที่ตึงเครียดมากมายเห็นได้จากผู้คนบนถนนหนทางค่ะที่มักจะเกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งกันมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งบางครั้งก็ได้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนถึงขั้นประทะกันก็มีมีการชกต่อยวิวาทหรือบางทีถึงขั้นฆ่าแกงกันเอาชีวิตกันเลยก็มีนะคะเรื่องคานองนี้ก็มีตัวอย่างชัดเจนและก็เป็นเรื่องจริงที่พบเห็นบนท้องถนนได้บ่อยครั้งซึ่งก็ผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เร่าร้อนของคนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมนํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและก็เป็นภาพหลอนของวิ ญ, ญญาณที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสัทีค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็พบเห็นมากับตาเมื่อครั้งที่ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีกับรถทัวร์โดยสารซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ต่อเนื่องกันหลายวันค่ะเนื่องจากติดต่อกันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์พอดีและก็เป็นวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยทุกคนต่างก็รีบร้อนเดินทางกลับบ้านเป็นผลให้รถร้านในวันนั้นติดหนึบอย่างแสนสาหัส อีกทั้งคนที่รีบเร่งหงุดหงิดก็อืนะสภาพรถติดแบบนี้ส่วนคนที่เฮฮาดื่มเหล้ากันไปในรถก็ล้วนมีแต่อารมณ์ร้อนขาดสติดังนั้นเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เลยเกิดค่ะเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็สติที่ขาดสะบัน้นในวันนั้นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาแห่งความสุขนะคะซึ่งทุกคนต่างก็มุ่งหวังว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับบ้านเพื่อไปพบปะพ่อแม่พี่น้อง คนในครอบครัวแต่ก็เกิดเรื่องน่าสะพรึงกลัวขึ้นขณะที่รถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพอุบลราชธานีกําลังขับทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วปานกลางค่ะตามหลังรถเก๋งกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งที่ขับจอดท้ายรถแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งคาดเดาวนะคะว่าคงจะได้รับการว่าจ้างให้ไปส่งที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขณะที่รถแล่นตามกันเป็นขบวนนั้น คนขับรถทัวร์ค่ะก็ต้องเหยียบเบรกชนิดตัวโกงเสียงดังเอีย้ยสนันลั่นรถคนที่หลับแล้วแล้วก็กําลังจะหลับนี่ต่างตกใจตื่นผวาเพราะว่ากลัวนะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งขณะที่ทุกคนตกใจตื่นอยู่นั้นคนขับรถทัวร์ก็ร้องลั่นขึ้นบอกไอ้ข้เบรกซะเกือบชนมันเมาหรือเปล่าหรือว่ามันบ้าวะลูกน้องที่เป็นเด็กรถก็พูดสำทับขึ้นบอกสงสัยเป็นเล่นมา้ามั้งพี่คงหลับนายแง่แง่เลยแบบนี้ แต่ว่าขณะที่สองคนหรือว่า2เสียงกําลังโต้เถียงกันอยู่นั้นเมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นนะคะว่าคนขับรถเกง๋งคันหน้ารถทัวร์เนี่ยซึ่งเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขา ย, ยาวเปิดประตูรถลงมาพร้อมมีวัตถุยาวๆติดมือลงมาด้วยฝ่ายคนขับแท็กซี่คันหน้าก็ก้าวลงมาเหมือนกันด้วยท่าทางเอาเรื่องค่ะมือข้างหนึ่งซุกไวในเสื้อแจ็คเกต็ตมองจากมุมไกลเหมือนว่าจะมีปืนนะเออหรือว่าจะมีมีด ขณะที่คนทั้งคู่ก้าวลงจากรถแล้วก็เดินหันหน้าเข้าหากันเด็กรถที่นั่งวิพากวิจาร์อยู่ก่อนหน้านี้ก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกตายหงมมันจะฆ่ากันแล้วมัง้งไอ้นี่ถือท่อนเหล็กไอ้นั่นคนขับแท็กซี่ก็ล่อมีดยาวเลยสงสัยงานนี้มีเสียวแน่พี่ฝ่ายคนขับรถตกใจตื่นค่ะกับภาพที่เห็นพูดออกมาเพียงว่าเฮ้ยมันจะเอากันหนักจนถึงตายเลยหรือว่าเนี่ย ส่วนผู้โดยสารบนรถที่อยู่ด้านหน้าโอ้เห็นภาพชัดกว่าคนอื่นค่ะต่างช่วยกันบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนอกฝ่ายผู้โดยสารผู้หญิงทั้งหญิงสาวหญิงแก่ต่างใจหายใจคว่ำกลัวว่าจะเกิดเรื่องรุนแรงหนักถึงชีวิตนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทุกคนบนรถทัวโดยสารกำลังลุ้นอยู่นั้นชายคนขับรถสองคันนั้นก็เดินเข้าหากันทาท่าว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้ ซึ่งก็ดูจากกิริยาท่าทางของคนทั้งคู่แล้วว่าน่าจะาเห็นเป็นปากเสียงกันใหญ่โตถึงขั้นลงไม้ลงมือแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างว่าจริงๆค่ะคนขับรถเก๋งซึ่งถือเหล็กด้ามยาวไว้ในมือก็พุ่งพรวดพลาดเข้าไปไประชิดตัวคนขับแท็กซี่ทันทีที่ดูว่าถ้าจะตกลงกันไม่ได้แล้วล่ะ ก็เลยทำให้คนขับแท็กซี่เนี่ยซึ่งยืนอยู่อย่างไม่ระวังตัวเซล้มลงไปข้างตัวรถแล้วก็เกิดการตะลุมบอลกันใหญ่ขึ้นเลยทำให้ภาพที่เห็นไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าในเวลานั้นค่อนข้างดึกแล้วนะคะแสงไฟที่สาดส่องจากตัวรถทำให้เห็นภาพเพียงสลัวๆวเมื่อมีการต่อสู้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันฝ่ายคนขับรถทัวร์แล้วก็เด็กรถก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะกลัวค่ะว่าจะโดนลูกหลง ดังนั้นทุกคนบนรถก็เลยได้แต่นั่งนิ่งมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความตกใจนานเกือบสิบนาทีค่ะภาพทุกอย่างก็หยุดนิ่งการเคลื่อนไหวทุกอย่างหยุดชะงักสักพักหนึ่งก็เห็นคนขับรถเก่งลุกขึ้นนั่งหน้าตาบูดเบี้ยวมีเลือดไหลซึมที่หน้าผากท่าทางที่ลุกดีลุกลนรีบร้อนขึ้นรถขับออกไปทาให้คนบนรถทัวสงสยัยมองเพ่งเข้าไปที่จุดเกิดเหตุภาพที่เห็นทาเอาคนบนรถนี่แทบช็อก ค, คุณผู้ฟัง เพราะว่าพื้นถนนที่จุดเกิดเหตุมีกองเลือดแดงฉานไหลนองเต็มไปหมดใกล้กันนั้นก็มีร่างของคนขับแท็กซี่นอนราบร่างอาบเลือดและก็ดูท่าทางนะคะว่าน่าจะหยุดหายใจไปแล้วด้วยใช่แล้วค่ะคนขับแท็กซี่คันนั้นถูกคนขับรถเก่งที่เพิ่งถอยรถออกไปฆ่าตายอย่างไร้ความปราณีด้วยเหตุผลว่าขับปาดหน้าเพียงเท่านั้นภาพเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดแม้จะเป็นเวลาดึกสงัดนะคะยังคงติดแน่นในความทรงจา เมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านใน3วันต่อมาก็เลยจดจำบริเวณที่เกิดเหตุได้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณนั้นมีสะพานข้ามคลองเตี้ยมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบข้างทำให้ดูมืดครึ้มผิดตาและภาพที่เห็นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภาพสถานที่เท่านั้นแต่ยังมีวิ ญ, ญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจำได้แม้ว่าเป็นคนขับแท็กซี่โชคร้ายที่ถูกฆาตกรรมตายโหงคาถนนเมื่อ3ามคืนก่อนอยู่ด้วย ภาพที่เห็นกระตุกอารมณ์ให้ขวัญผวาไม่ใช่น้อยคุณผู้ฟังและไม่ใช่เพียงผู้เดียวที่มองเห็นภาพนี้เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็นั่งตัวแข็งเยือกด้วยความกลัวสุดขีดเมื่อกลับถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเพราะคิดนะคะว่าเขามาให้เห็นเพื่อต้องการขอส่วนบุญหรือไม่ตัวเราเองก็อาจจะกาลังเคราะห์ร้ายถึงได้มองเห็นผีตามความเชื่อของคนโ บ, บราณโบราณกันละค่ะ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคุณออฟนะคะที่เกิดขึ้นในตอนเช้าวันหนึ่งและก็ผ่านมาแล้วประมาณ5ปีค่ะหลังจากที่คุณออฟก็หยุดทําการค้าขายพักผ่อนวันอาทิตย์ตามปกติคุณออฟออกจากบ้านพักผ่านประตูหลังบ้านเข้าร้านค้าซึ่งเป็นร้านข้าวสารและก็ติดอยู่ซึ่งอยู่ติดกันน่ยนะคะเพื่อจะเข้าห้องกระจกซึ่งสร้างเป็นสถานที่ทํางานอ่าแล้วก็การค้าภายในร้านค้าข้าวสารค่ะ ขณะที่เปิดประตูห้องกระจกยังไม่ทันจะก้าวเท้าเข้าห้องก็เกิดมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับยาฆ่าแมลงฉุนจัดพร้อมไอเย็นพุ่งออกจากห้องเข้ามาปะทะเต็มๆหน้าจนคุณออฟบอกขนลุกแล้วก็ช็อกไปชั่วขณะหนึ่งตอนกลิ่นเหม็นแล้วก็ไอเย็นแตะถูกตัวเนี่ยบริเวณหน้าอก ห้อยพระเครื่องสามองค์ได้เกิดความอบอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็ขยายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ากลิ่นเหม็นแล้วก็ไอเย็นจนตัวสะดุง้งสติก็เลยกลับคืนสู่ปกติอย่างรวดเร็วนะคะคุณอ๊อบก้าวเข้าห้องอย่างประหลาดใจไม่เข้าใจว่ากลิ่นเหม็นฉุนจัดเหล่านี้มันเข้ามาในห้องสํานักงานได้อย่างไรเพราะว่าตลอดวันอาทิตย์ปิดทําการค้าขายไม่มีผู้ใดเข้าออกสํานักงานห้องกระจกแล้วก็ร้านค้าเข้าสารเลย สถานที่ตั้งร้านค้าข้าวสารของคุณออฟตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ในตัวเมืองพิจิตรค่ะหน้ากว้าง12เมตรลึก24เมตรด้านหน้าเปิดเป็นประตู3บานนะคะห้องกระจก4คณ4เมตรซึ่งภายในอาคารสำนักงานเนี่ยนะคะเวลากลางคืนแล้วก็วันหยุดทำการค้าขายก็จะไม่มีผู้คนอยู่ในร้านข้าวสารเลยจึงไม่เข้าใจว่ากลิ่นเหม็นยาฆ่ า, มาแมลงฉุนจัดเหล่านี้นมาจากไหนหลังจากเปิดร้านทาการค้าขายคนงานก็มาพร้อม ก็เลยให้ทุกคนช่วยทำความสะอาดแล้วก็สืบหาแหล่งที่มาของกลิ่นเหม็นแต่ก็ไม่พบค่ะปัดกวาดเช็ดถูทั่วห้องแต่อย่างไรกลิ่นเหม็นนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ภายในห้องกระจกไม่ยอมไปไหนนะคะทีนี้คุณอ๊อฟก็ได้นำกระปุกน้ำหอมดับกลิ่นในรถยนต์มาสองกระปุกก็ามาเปิดลค่ะเปิดในห้องสำนักงานหวังว่าจะดับกลิ่นเหม็นแล้วก็เปิดแอร์ให้พัดลมเนี่ยช่วยขับไล่อีกแรงหนึ่ง ได้ผลตรงข้ามค่ะกลิ่นหอมสองกระปุกนี้กลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนต้องรีบยกกระปุกกลิ่นหอมออกจากห้องทันทีต่อมาเวลาประมาณสองโมงเช้าพี่สาวได้มาเยี่ยม พอพี่สาวเดินเข้ามาในห้องกระจกค่ะกลิ่นเหม็นหลบไปตามซอกมุมห้องทันทีระหว่างนั่งคุยสนทนากันหากมีผู้คนเข้ามาในห้องกระจกมากกลิ่นเหม็นจะเบาบางลงผู้คนออกจากห้องกลิ่นเหม็นจะรุนแรงขึ้นซึ่งคุณออฟบอกว่าผมสังเกตนะว่าช่วงใดที่พี่สาวขยับตัวจนพระเครื่ององค์เล็กๆที่ห้อยคอทะลักออกนอกเสือ้อกลิ่นเหม็นเนี่ยมันจะหลบมุมช่วงใดที่พระเครื่องกลับเข้าไปอยู่ภายในร่มเสือ้อกลิ่นเหม็นก็จะออกจากมุมห้อง ต่อมาพี่สาวได้ ก, ก้มตัวไปหยิบหนังสือพิมพ์เก่าใต้โต๊ะมุมห้องพระเครื่องก็ทะลักหล่นออกจากอาร่รมเสื้อไปแต่กองหนังสือพิมพ์เก่ากลิ่นเม็นก็ได้ฟุ้งออกจากกองหนังสือพิมพ์เก่าค่ะผ่านหน้าคุณอ๊อฟไปตรงเข้าไปที่ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งก็มีอุปกรณ์อยู่ร่วมกัน3ชิ้นตั้งห่างจากตัวคุณอ๊อฟไม่ถึงครึ่งเมตรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้งาน าการพิมพ์คอมพิวเตอร์นะคะก็จะเสียบไฟติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลิ่นเหม็นเข้าเครื่องชุดคอมพิวเตอร์ไฟมันก็ดับใช้การไม่ได้เหตุการณ์ดําเนินมาถึงขั้นนี้คุณอ๊อบบอกโอ้รู้แล้วว่ากลิ่นเหม็นนี้คงไม่ใช่สารวัตถุในดานมนุษย์แน่นอนเข้าใจว่าน้องภรรยาที่ลาโลกมันลงมาลงโทษตนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 5-6 เดือนค่ะนายแพทย์ตรวจพบว่าน้องภรรยาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งเธอเองยังไม่ได้สมรสแล้วก็มีครอบครัว พี่น้องแล้วก็หลานๆก็ทําหน้าที่ดูแลรักษาเธอจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะนายแพทย์เจ้าของท่ายก็บอกให้ญาติทุกคนเนี่ยทำใจซะแล้วก็นําตัวของเธอออกจากโรงพยาบาลกลับไปรอวาระสุดท้ายที่บ้านซึ่งก่อนเสียชีวิตเธอเกิดอาการเจ็บปวดพี่ชายได้นําให้เธอไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU เพื่อต่อชีวิตซึ่งคุณอ๊อฟเองเนี่ยก็คัดค้านเต็มที่ถือว่าโรคร้ายนี้หมดหนทางรักษาให้หายการต่อชีวิตกลับเป็นการทรมานกายใจไม่เกิดประโยชน์ คุณออฟเพียงแค่แนะนำให้เพิ่มยาระงับแก้ปวดที่นายแพทย์ให้มาอีก 2-3 สาเท่านะคะเพื่อบรรเทาวความเจ็บปวดของเธอผลสุดท้ายค่ะน้องภรรยาก็ได้สิ้นลมหายใจไปภรรยาและลูกของคุณออฟทุกคนเดินทางไปช่วยจัดงานศพที่กรุงเทพเมื่อรู้ว่ากลิ่นเหม็นฉุนจัดเหล่านี้ต้องหลบพระเครื่องของพี่สาวก็ย่อมไม่ใช่กลิ่นเหม็นในแดนมนุษย์แต่ว่าแปลกใจค่ะที่ไม่เหมือนกลิ่นเหม็นของซากศพที่เคยพบเห็นก็เลยใช้โทรศัพท์ โทรไปถามภรรยากลางงานศพ บ, บอกว่าได้บรรจุยาฆ่ า, มาแมลงไว้ในโลงศพของน้องสาวหรือไม่คำตอบคือไม่ค่ะตอนนั้นคุณออฟ บ, บอกผมเองก็ยังเชื่อสนิทใจนะว่าน้องภรรยามาลงโทษก็เลยยอมรับก้มหน้ารับโทษทนดมกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวันและรุ่งเช้าก็ทำบุญตักบาตรไปให้น้องภรรยาเย็นวันนั้นหลังปิดร้านค้าเข้าสาร ก็นั่งทำงานในห้องกระจกเพียงคนเดียวกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นค่ะทันใดนั้นก็มีไอเย็นฟุ้งออกจากเครื่องของชุดคอมพิวเตอร์เข้ามาประทะแขนซ้ายของคุณออฟซึ่งนั่งห่างจากตัวเครื่องเพียงเล็กน้อยขณะเดียวกันค่ะพระเครื่องสามองค์ที่ห้อยอยู่หน้าอกก็ได้เกิดความอบอุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนสามารถหลอมไอเย็นกลายเป็นความอบอุ่นทั่วร่างกายโดยที่กลิ่นเหม็นก็ได้เบาบางลงเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นนะคะคุณอ๊อฟ ก, ก็ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง3ชิ้นนี้เอาไปปัดกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งหวังจะกําจัดกลิ่นเหม็นให้ออกจากเครื่องและก็ออกจากห้องกระจกแต่ว่ากลิ่นเหม็นยังติดอยู่ในเครื่องตามเดิมค่ะแต่ว่าเบาบางจางลงมากจนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็ทำการประชุมเพิงน้องภรรยาที่กรุงเทพเรียบร้อยคือนั้นเหตุการณ์ปกติ พอวันรุ่งขึ้นภรรยาโทรมาบอกบอกว่าได้เวลาเก็บอัฐิน้องสาวไปลอยอังคารเรียบร้อยแล้วหวังว่ากลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาคงจะหายหมดสิ้นไปนะซึ่งเย็นวันนั้นก่อนปิดประตูร้านค้าภายในร้านได้เปิดไฟไว้ห้าดวงภายในห้องกระจกได้เปิดไฟไว้สองดวงแล้วก็เปิดโทรทัศน์พร้อมกับแอร์ในห้องพอปิดประตูร้านค้าเสร็จเหลือเพียงคุณอฟอฟคนเดียวค่ะพอจะเดินเข้าห้องกระจก ก็มีผีเสื้อสีดำตัวประมาณสองนิ้วเนี่ยบินจากไหนไม่รู้มาวนเวียนอยู่แถวหน้าหัวเขา่าคล้ายกับห้ามไม่ให้เปิดประตูเข้าห้องกระจกสร้างความรำคาญค่ะก็เลยเปิดประตูแล้วก็หยิบปฏิทินตั้งโต๊ะมาปัดไล่ผีเสื้อดำให้พ้นทางเดินเข้าห้องหันหลังปิดประตูทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเต็มห้องพร้อมกับไฟในห้องสองดวงดับลงทันทีในขณะที่ไฟนอกห้องห้าดวงแอร์โทรทัศน์ในห้องก็ยังทางานตามปกติ สร้างความตกใจให้กับตัวคุณออฟมากคุณออฟก็เลยร้องเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าบอกอุ๊ยเล่นแรงขนาดนี้เลยเหรอพร้อมควักพวงพระเครื่องออกมานอกเสื้อเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เตรียมตัวต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วค่ะกลิ่นเมนกลับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไฟสองดวงที่ดับก็ติดแสงสว่างขึ้นตามเดิมแต่ว่าผีเสื้อดำเนี่ยไม่รู้บินไปไหนคุณออฟก็นั่งแข็งใจทํางานต่อจนเรียบร้อยก็กลับเข้าห้องพัก เหตุการณ์ดำเนินมาจนถึงตอนนี้ค่ะคุณออฟบอกเชื่อแล้วล่ะว่ากลิ่นเหม็นเหล่านี้เนี่ยคงไม่เกี่ยวกับน้องภรรยาที่เสียชีวิตแน่นอนรุ่งเช้าเซล์แมนประจำร้านขับรถยนต์มาออกจากร้านเพื่อจะไปประกอบธุรกิจค้าขายเหมือนทุกวันที่ผ่านมาที่ทำเป็นประจำ ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในตัวรถข้างคนขับจนขนลุกค่ะทั้งที่ภายในรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมีปฏิทินพิมพ์ภาพพระรูปดังและเหรียญพระรับแจกจากงานศพอยู่2เหรียญแต่ว่ากลิ่นเหม็นก็ไม่หลบเหมือนพระเครื่องนะคะของคุณอ๊อฟแล้วก็ของพี่สาวเมื่อได้รับรายงานจากเซลแมนก็เลยสั่งให้นํารถยนต์เนี่ยจอดไว้กลางแจ้งปิดแอร์เปิดประตูรับแสงให้เต็มที่เมื่อพบกับแสงแดดจ้าๆกลิ่นเหม็นก็กระจายออกจากรถยนต์คันดังกล่าวค่ะ หลังจากปล่อยให้กลิ่นเม็นยึดครองห้องกระจกสำนักงานแล้วก็ยอมก้มหน้าก้มตาดมเอา3วันเต็มๆแม้เช้าวันนี้กลิ่นเหมนส่วนหนึ่งจะย้ายไปอยู่รถยนต์จำหน่ายสินค้าของร้านและถูกกําจัดโดยแสงอาทิตย์แล้วก็ตามส่วนที่ยังสถิตยอยู่ในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ยังยึดครองห้องสำนักงานอยู่ซึ่งเช้าวันต่อมานะคะคุณอ๊อฟก็ได้อัญเชิญหรือว่าอารัธนาพระบูชาประจําบ้านพักมาประทับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ค่คะกลิ่นเมนก็ได้หลบออก จากที่สิงสถิตนะคะย้ายไปเข้าเครื่องสำรองไฟซึ่งก็ตั้งเรียงติดกันคุณอ๊อฟก็เลยย้ายพระบูชาประจําบ้านมาประทับเผชิญหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง3มชิ้นควบคุมอยู่นานหลายวันกลิ่นเหม็นหลบลงรูใต้ฐานสำรองไฟไปหลอมติดอยู่หน้าโต๊ะตั้งรองรับชุดคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้แต่ว่ากลิ่นนี้ยังฉุนจัดติดหน้าโต๊ะแล้วก็ไม่สิ้นฤทธิ์นะคะ หลังจากกลิ่นเมนถูกพระบูชาควบคุมอยู่กับที่เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ภรรยาคุณออฟก็เดินทางมาจากกรุงเทพค่ะกลับถึงก็บอกว่ากลิ่นเมนเช่นนี้จะทนอยู่ได้ยังไงพูดจบจะเดินเข้าบ้านพักสะดุดขาตัวเองล้มเป็นครั้งที่หนึ่งเจ็บไม่มากพอเช้ามืดวันรุ่งขึ้น เธอจะลุกจากบ้านพักมาเอากุญแจรถยนต์ที่ห้องกระจกก็ล้มอีกเป็นครั้งที่สองค่ะเจ็บมากกว่าครั้งแรกแล้วก็เช้าวันต่อมานะคะก็ไปล้มในห้องน้ําอีกเป็นครั้งที่3คราวนี้เนี่ยบาดเจ็บกึ่งสาหัสจนต้องรีบไปหาพระเครื่องมาห้อยคอป้องกันแล้วก็นําเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านดูหลวงพ่อท่านนั่งทางในดูแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าสถานที่ที่ตั้งร้านค้าข้าวสาร3คูหาพร้อมสํานักงานห้องกระจกเนี่ยมีได้ตั้งสารพระภูมิเจ้า หรือพระบูชาใดๆส่วนศาลเจ้าและพระบูชาที่ตั้งในบ้านพักท่านได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะบริเวณบ้านพักเท่านั้นเจ้าที่เจ้าธรณีประจำร้านค้าสามคูหาเนี่ยต้านทานกลิ่นเหม็นร้ายฉุนจัดเหล่านี้ไม่ไหวจึงเข้ามาเต็มห้องกระจกเลยสำหรับตัวของคุณอ๊อฟเองนะคะบอกจิตแข็งแล้วก็ห้อยพระเครื่องคุ้มครองเป็นประจาก็เลยปลอดภัยหลวงพ่อยังบอกอีกว่าการใช้สถานที่แห่งนี้ทามาค้าขายมานาน ควรจะทำบุญบ้านเลี้ยงพระให้เป็นสิริมงคลสักครั้งหนึ่งก็เลยได้จัดงานทำบุญบ้านเลี้ยงพระตามที่หลวงพ่อแนะนำเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเลี้ยงพระทำบุญบ้านตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ปกติทุกประการส่วนชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรองรับที่กลิ่นเหม็นหลอมติดอยู่นั้นก็ได้ยกไปถวายวัดเพื่อให้พระเนยนาไปศึกษาเล่าเรียนต่อไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดค่ะ ประสบการ์สยองขวัญที่ทำให้คุณสมชายไม่มีวันลืมเลยในครั้งนี้นะคะได้เกิดขึ้นกับคุณสมชายและก็เพื่อนกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยตั้งใจกันไว้ว่าจะเหมารถตู้ขึ้นไปเที่ยวถึงดอยอินทนนท์แล้วก็พักค้างแรมอีกสักสองคืนส่วนเวลาที่เหลือก็จะเที่ยวไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางหนึ่งวันก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นกับคุณสมชายซึ่งเขาเองเนี่ยบอกว่า อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรซึ่งก่อนเดินทางเนี่ยเขาจัดสัมภาระทุกอย่างที่จําเป็นลงกระเป๋าแล้วก็ไปค้นหาเอกสารการท่องเที่ยวเก่าๆที่เคยเก็บสะสมเอาไว้มาพลิกอ่านเพื่อหาที่เที่ยวที่น่าสนใจระหว่างทางนะคะแล้วก็ไปเจอรูปพระปางเก่าแก่ภายในวัดโบราณของจังหวัดสุโขทยัยตียกความสนใจของเขาได้ไม่น้อยเลยละะ่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาได้เอกสารฉบับนี้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจพลิกอ่านดู ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทันทีที่หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นเปิดดูบางอย่างทําให้รู้สึกวูบวาบแล้วก็ร้อนเผาตั้งแต่หัวไหลลงไปเรื่อยถึงปลายเท้าและอยู่ๆค่ะอาการวูบก็ขึ้นที่หน้าก็ทําให้เขาแทบยืนไม่อยู่จนต้องซุดนั่งลงกับพื้นความรู้สึกแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นคุณสมชายไม่ได้คาดว่ามันจะแปลกประหลาดแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้า อาจจะหน้าวูบธรรมดาเพราะว่าเวลานั้นก็ปลาเข้าไปเกือบบ่ายสโมงแล้วนะคะทีนี้วันเดินทางมาถึงคุณสมชายก็คิดอย่างเดียวว่าคงจะต้องสนุกแน่นอนเพราะว่ามีแต่เพื่อนสนิทกลุ่มชายล้วนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเมื่อจัดข้าวของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นนั่งที่ด้านหน้าคู่คนขับโดยรับหน้าที่นะคะคอยเปิดเพลงตามเสียงเรียกร้องแล้วก็เป็นไกด์กิติมัสักอีกตาแหน่งหนึ่งจากเมืองนนทบุรีค่ะ ไปถึงเชียงใหม่จุดหมายปลายทางใช้เวลาวิ่งประมาณ12ชั่วโมงนับว่าเป็นการเดินทางแบบไม่รีบร้อนนะคะแล้วก็ตกเย็นวันนั้นทุกคนก็ตั้งเต็น์เตรียมสนุกกันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนทุกอย่างเนี่ยคงสนุกราบรื่นถ้าไม่เกิดเรื่องแปลกแปล ก, แปลกขึ้นซ้ำสองค่ะระหว่างทางจากนาครสวรรค์เข้ากาแพงเพชร ขณะที่คนทั้งรถเนี่ยกำลังหลับยกเว้นคุณสมชายที่ประสบเหตุการณ์นี้คนเดียวที่ยังไม่ได้หลับพร้อมกับคนขับนะคะส่วนถนนตรงหน้าแทบจะไม่มีรถราวิ่งผ่านเลยดูมันเงียบเหงาไม่เหมือนเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคนต้องเรื่อนเริง เขาเองก็ยังนึกแปลกใจแล้วก็ยังเปรย์ๆกับพี่คนขับรถว่าเอ๊ะถ้ารถไม่ติดแบบนี้มีหวังเชียงใหม่คงเงียบเหงาหน้าดูโดยขณะที่ชักชวนกันคุยอยู่นั้นค่ะเขาก็เหลือบไปเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่คนหนึ่งกําลังยืนเงอะเงอะงัง ง, ง, งอยู่ที่ข้างไหลาทางทําท่าเหมือนคนกําลังจะเป็นลมด้วยอารามณ์ตกใจก็เลยชี้มือให้พี่คนขับดูแต่แกกัดบอกว่าไม่เห็นมีใครหรืออะไรที่ตรงนั้นเลยเอา้าวงงสิครับคุณผู้ฟังแบบนี้ เมื่อขับรถผ่านมาพร้อมกับพี่คนขับชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็เริ่มลืมเรื่องผู้ชายคนนั้นไปพอถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปจังหวัดตากค่ะก็เห็นผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นอีกคือคนเดิมนี่แหละนะคะที่ยืนอยู่ข้างทางครั้งนี้ผู้ชายสูงใหญ่คนนั้นนะคะก็ยืนอยู่ตรงเกาะกลางแล้วก็กำลังจ้องตามาที่คุณสมชายซึ่งคุณสมชายเองเมื่อเห็นทีแรกนี่ก็ตกใจเพราะว่าเมื่อกี้ยังจะเป็นลมอยู่ที่นครสวรรค์อยู่เลยและตอนนี้ มายืนอยู่ทางแยกเข้าจังหวัดตากซึ่งระยะทางมันห่างกันเป็น1 0อยกิโลเมตรได้ยังไงกันที่สำคัญไม่มีใครมองเห็นแกนอกจากคุณสมชายค่ะความสงสัยทำให้เขาเก็บเงียบไว้ในใจตลอดจนกระทั่งมาถึงดอยอินทนนท์แล้วก็เที่ยวเล่นตามกำหนดก็คือ2คืนจนกระทั่งถึงวันกำหนดกลับค่ะทุกคนลงความเห็นว่าเวลาที่เหลือ น, น่าจะออกเที่ยวที่จังหวัดอื่นบ้างนะ พวกเราก็เลยแวะเที่ยวตามรายทางไม่ว่าจะเป็นลำพูนลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรนะครสวรรค์แล้วก็ตีรถกลับบ้านบ้านใครบ้านมันนะคะระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยคุณสมชายขอย้ายมานั่งเบาะหลังสุดเพราะว่าอยากนอนพักเอาแรงและขณะที่รถแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเขากลับรู้สึกงอยๆเหนื่อยๆเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกจนเพื่อนคนหนึ่งสังเกตเห็นก็เลยถามบอกเอ้ยไม่สบายปะว่าเห็นเงียบๆ ก็เลยตอบไปบอกไม่ได้เป็นอะไรแค่มันง่วงมันเพลีย ع, อยากนอนเดี๋ยวพอถึงที่แล้วเองช่วยเรียกค้าด้วยละกันจากนั้นคุณสมชายบอกไม่รู้หลับไปนานแค่ไหนแต่มาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเสียงตะโกนโบกเวกของเพื่อนที่พยายามเรียกให้ตื่นด้วยท่าทางที่ทั้งตกใจแล้วก็ตื่นกลัวและเมื่อตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางง่วงเงียก็เลยร้องถามไปบอกถึงไหนแล้ววะลําพูนหรือลําปางเพื่อนก็เลยตอบมันจะบ้าเหรอกูเรียกมึงตั้งนานให้ลุกเขย่าแล้วก็ตะโกนก็แล้ว จนนี่ถึงนครสวรรค์อยู่แล้วเพื่อนอีกคนนึงขยับเข้ามาใกล้แล้วก็เอามืออั่งที่หน้าผากนะคะก็บอกว่าเอออาการท่าจะหนักใครมันจะหลับลึกได้ขนาดนี้นี่เองรู้สึกแปลกๆอย่างคอแห้งปวดหัวหรือเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะคุณสมชายลืมบอกไปค่ะบอกว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นลูกชายของพ่อหมอก็คือหมอผีนี่แหละนะคะคาถามที่มันถามก็เลยดูแปลกๆเหมือนตัวของมันเอง คุณสมชายก็เลยตอบเพื่อนไปบอกว่ามีบ้างคอแห้งแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวอะและที่ถามว่าเห็นอะไรแปลกๆก็เห็นว่ะตอนที่รถวิ่งขึ้นเชียงใหม่ก็เห็นผู้ชายตัวใหญ่ท่าทางแปลกถึง2ครั้งครั้งแรกโผล่นะครสวรรค์ครั้งสองไปโผล่ที่ทางแยกเข้าจังหวัดตากเขาชี้ให้พี่คนขับดูแต่เขามองไม่เห็น ตอนแรกก็ยังว่าตาฝาดไปหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนหลับไปข้าก็เห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในฝันและกำลังวิ่งเข้ามาดึงตัวข้าให้ไปไหนก็ไม่รู้พอพวกเองเขย่าให้ตื่นก่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะพาไปไหนคุณสมชายสาธยายยืดยาวเลยเชียวทั้งที่ยังรู้สึกอ่อนเพลียชอบกลไอ้ฮอกลูกพ่อหมอตบเข่าฉาดใหญ่ทํใหาเพื่อนฝูงตกใจอะแล้วก็หันมาถามบอกอะไรของเองวะเพื่อนที่เป็นลูกพ่อหมอเนี่ยก็เลยบอก ก็อาการที่มันเล่าเนี่ยมันเหมือนโดนของเหมือนจะเอ า, อาไปอยู่ด้วยหรือว่าไปเป็นตัวตายตัวแทนนี่ถ้าเราไม่ปลูกให้มันตื่นนะมีหวังทั้งคันรถเนี่ยตายหงเรียบรู้หรือเปล่าว่าเองกําลังมีเคาะหนักกลับบ้านคราวนี้ต้องไปทําบุญเสด็ะเคาะเคาะใหญ่เลยนะด้ยอย่าลืมเด็ดขาดกลับถึงบ้านแล้วต้องทําทันทีไม่งั้นเองกับข้าคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วละชาตินี้พอฟังเพื่อนพูดจบค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคุณสุชายบอกผมตัวสั่นคางผมก็เขยา่าขนที่แขน ขนที่ขาตั้งขึ้นแบบไม่ได้นัดหมายในใจเนี่ยก็รู้สึกสั่นรยรัวกลัวหรือตกใจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาการที่เกิดขึ้นทำให้รู้แน่นอนแล้วนะคะว่าเจอดีเขาแล้วละ่ะ และในทันทีที่กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็รีบทำทุกอย่างตามคำแนะนำของเพื่อนซึ่งผลของการกระทำในครั้งนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้ค่ะนี่คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วย เพราะว่าตัวของบีเองก็ไม่ทราบนะคะว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไหนคือเรื่องแต่งเท่าที่เราได้ข้อมูลนะคะเราก็มากลั่นกรองดูแล้วก็นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอ๋อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของเราออกไปพร้อมกับกดติดตามให้เราด้วยร่วมพูดคุยกันกระใต้คลิปนี้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีค่ะ